ภิกษุไม่พึงเดินจงกรมได้ปรารถนาอย่างนั้นภิกษุใดเดินจงกรมด้วยปรารถนาอย่างนั้นภิกษุนั้นต้องอาบัตทุกกฏวงเล็บเรื่องที่หกสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งปรารถนาว่าประชาชนจกยกย่องเราอย่างนี้จึงยืนประชาชนก็ยกย่องท่านท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกเรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ รองตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงยืนด้วยปรารถนาอย่างนั้นภิกษุใดยืนด้วยปรารถนาอย่างนั้นภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฎวงเล็บเรื่องที่เจ็ดสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งปรารถนาว่าประชาชนจกยกย่องเราอย่างนี้จึงนั่งประชาชนก็ยกย่องท่านท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พรงตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงนั่งด้วยปรารถนาอย่างนั้นภิกษุใดนั่งด้วยปรารถนาอย่างนั้นภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฎวงเล็บเรื่องที่8ดสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งปรารถนาว่า ประชาชนจากยกย่องเราอย่างนี้จึงนอนประชาชนก็ยกย่องท่านท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตรปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบร่รงตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัตรปาราชิก 1. ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงนอนด้วยปรารถนาอย่างนั้นภิกษุใดนอนด้วยปรารถนาอย่างนั้นภิกษุนั้นต้องอาบัตรทุกกฎ วงเล็บเรื่องที่เก้า